ของเรามาตอนปลายแล้วนนะนะพระพุทธเจ้าตรัสในพุทธวงให้ภาษาริบุรฟังว่าในมนตกับนั้นนั่นเองนะก็คำว่ามันตะกับนี่เรียกโดยชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่หมายถึงกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์นนะพระองค์นี้เป็นองค์ที่สองเมื่อส1อดกับนะเมื่อ31อดกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์นะนะพระองค์เวสภูเป็น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 โลกสามเนี่ยถือว่าเป็นโลกที่ถูกราคะเผาแล้วกำมาโลกสามหมายถึงการ ม, มาโลกรูปประโลกและอรูปประโลกการ ม, มาพบรูปประพบอรูปประพบนั่นเองคําว่าโลกหมายถึงพ บ, พบแปลว่าสลายที่เรียกว่าโล ก, กเพราะแตกทําลายแตกสลายมันจะการ ม, มาพบรูปประพบหรืออรูปประพบพบเหล่าใดที่เที่ยงไม่มีมันพบทั้งมวลล้วนแต่สลายแต่ในบรรดาพบทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกไฟคือราคะเผา ถ้าบอกอันนี้ยกตัวอย่างบอกถ้าไฟราคาเผาก็ตามด้วยไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแผดเผาแล้วพบสามเนี่ยนะการมาพบรูปประพบอารูปประพบถือว่าเป็นแว่นแคว้นแผ่นดินแห่งตัญหาทั้งหลายเรียกว่ารัฐของตันหามีตันหาครองรัฐนะมีตันหาเนี่ยเป็นเป็นผู้อะไรครอบคลุมปกครองดูแล น, นะ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 กระตุกหลุดโซ่เรียกว่าหลุดจากสังโยชน์เนี่ยนะหลุดจากเครื่องผูกหลุดจากโยคะเครื่องประกอบเครื่องร้อยเครื่องรัดเครื่องผูกเครื่องมัดเอาไว้ในพบความที่พระองค์กชากจากปัญหาจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะผู้สูงสุดเนี่ยนะเพราะละตันหาคเครียกว่าออกจากตันหาออกจากอวิชชาออกจากตันหาด้วยสมถะออกจากอวิชชาด้วย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 เมื่อพระโล ก, กะเชษฐโล ก, กะเชษฐเชษฐาเชษฐาแปล ว, ว่าพี่ชายคนโตเนี่ยนะพระเชษฐาก็คือพี่คนโตที่สุดพระองค์พูดเรื่อว่าพระโล ก, กะเชษฐผู้เจริญที่สุดในโลกผู้อุบัติขึ้นก่อนสัตว์โลกทั้งปวงในการตรัสรู้เหมือนอย่างว่าลูกไข่เออข้าไปลูกไก่ลูกไก่ตัวใดที่เจาะกระเปาะกระเพาะกระปะไข่ออกมาก่อนลูกไกไ่ตัวนั้นก็นับว่าเป็นพี่ฉันใด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 พระองค์เป็นผู้องค์อาจในนรชนคำว่าองค์อาจก็คืออาสภาประกาศถึงว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้กล้านะเป็นผู้กล้าเป็นผู้ไม่ข้านครามเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่สะทกสะทานใช้ชีวิตอยู่ด้วยปีติและโสมนัสพระองค์นั้นสเสด็จจาริกไปในแวนแขวนเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์สภศาส ท, ทั้งหลายระหว่างที่พระองค์สเสด็จจาริกก็มีการแสดงทำให สัตว์ทั้งหลายฟังอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่สองก็มีแก่สัตว์จำนวนเจ็ด0มื่โกดเนี่ยนะก็เสด็จเข้าไปหาทำเลที่เหมาะที่สมแสดงทําให้มีผู้ตรัสรู้ก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามเห็นอริยสัจธรทมตามพระองค์นั้นเมื่อทรงบรรเทามิจฉาทิฐิที่ใหญ่หลวงของพวกเดรธีทั้งหลายอะ น, นะเดรถีทั้งหลายเนี่ยปโปรยมิจฉาทิฐิที่ใหญ่หลวงบอกว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่มาก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 แผ่ไปอย่างใหญ่หลวง น, นะพระองค์ก็เลยบันเทาความมืดคือทิฐิอันนั้น น, นะมิจฉาทิฐิทั้งหลาย ก, ลก็คือกลุ่มทิฏฐิหกอ่ะ น, นะทิฐิที่ๆๆปรารบอดีต18ทิฐิที่ปรารบอนาคต44ก็รวมเป็น62เนี่ย น, นะอันเราทิฐิเหล่านั้นเนี่ยนะ ก, ก็เกิดจากความยึดถือว่ารูปเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาขันห้าเป็นของอัตตาขันห้าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วย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 เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมามีขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทำปาฏิหาริย์ยิ่งไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นซ้อนกันอีกครั้งหนึ่งมันเขาเหล่านั้นก็เลยขนลุกชูชันด้วยอำนาจปีติและ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 ด้วยศรัทธาปีติโสมนัสเป็นอันมากก็เกิดขึ้นปีติก็เป็นสมุทฐานให้คนลุกชูชันเป็นต้นมันปีติก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นเหตุให้เกิดสุขสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งยถาภูตญาณทัศนยถาภูตญาณทัศนะเป็นปัจจัยแก่นิพิทาและวิราคะเขาเหล่านั้นก็กําหนดรู้ทุกตรัสรู้ทุกโดยการกําหนดรู้ละสมุทัยด้วยการ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 มีสนิบาตการประชมอริยะสาวกขีนาศพผู้เป็นอรหันต์ไร้มนทินคือราคะเป็นต้นมีจิตสงบคงที่ในโลกธรรมสามครั้งด้วยกันสาวกสนิบาตสามครั้งครั้งแรก8 0ดหมื่นครั้งที่สองเจ็ดหมื่นครั้งที่สา0ห0หมื่นาอารหันตเหล่านั้นเป็นผู้ก้าวล่วงภยัยคือชาราเป็นต้นผราอารหันตเหล่านั้นเนี่ยนะพ้นภัยแล้ว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 น่ากลัวถามว่าแล้วต้องตายเนี่ยนะตายแล้วรู้ว่าตายแบบจะไปไม่ดีต่อเนี่ยจะน่ากลัวไหมท่านแล้วก็ขันเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งภัยทั้งหลายมีชะภัยคือโสกะปริเทวะเป็นต้นก็เกิดขึ้นพระ้าหันเหล่านั้นพ้นภัยแล้วเครียกว่าถึงบทอันกเกษมและปลอดภัยเป็นชื่อของพระนิพานนิพานนั้นชื่อว่ากเกษมเขมังอะพยังเนี่ยนะพระนิพานนั้นชื่อว่าอะสังขตังอะพยัง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 พระอรหันตเหล่านั้นผู้ขี่นาศเป็นโอรสโอรสแปลว่าลูกที่เกิดจากอกคือธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเสียงของพระพุทธเจ้านัถือว่าตั้งที่อกเป็นสมุทฐานเนี่ยนะท่านเสียงของพระ อ, องค์นี่จะลึกเนี่ยนะเสียงฟังแล้วลึกทุม้มแล้วก็ไพเราะเสนะสืบเนื่องกลมกลม่อมไม่แต่พร่าสำเนียงเหมือนนกการเรกเนี่ยนะสำเนียงเสนะเหมือนนกกาเวก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 พระองค์อย่างเช่นพระสารีบุตรบุตรของเรากัสปะผู้เป็นบุตรของเราโมคคัลลานะผู้เป็นบุตรของเราพระพุทธเจ้าเรียกพระอริยะทั้งหลายว่าเป็นบุตรของพระองค์ทั้งทั้งที่โดยวัยโดยอายุหลายท่านอายุมากกว่าพระองค์แต่ก็เรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นบุตรของพระองค์อย่างพระนางโคตมีก็เรียกว่าเป็นที่ดาของพระองค์เพราะว่าเกิดจากอกคือธรรมเทศนาของพระองค์เนี่ยนะเรียกว่า พระนางโคตมีหรือพนางมายาให้พระองค์เกิดในวัตตะแต่พระองค์ให้ท่านเหล่านั้นเกิดในอริยชาติเนี่ยนะเกิดในอริยะชาติ น, นะการเกิดที่ประเสริฐเกิดและพ้นจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงมันสรุปทบทวนนะว่าพระอริยสาวกทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันเนี่ยนะพ้นจากชรามรณะ เป็นอกเป็นโอรสเกิดจากธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นสรุปว่าอริยาสาวกเนี่ยประชุมครั้งที่ 1-80,000 ครั้งที่ 2-70,000 ครั้งที่ 3-60,000 ่นทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราบ้างว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือเป็นเป็นคนที่ไม่ยอมพลาดบุญนั้นขอให้เกิดได้พบแหล่งแหล่งเจริญบุญเจริญกุศลเนี่ยท่านไม่ยอมพลาดแน่นอน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 เป็นธรรมจักรเป็นคําสอนที่สูงสุดเป็นธรรมที่ประณีตก็คือละเอียดสุขุมเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้นประกาศแล้วได้ยินคำว่าได้ยินธรรมจักรนี้ไม่ได้หมายแปลว่าต้องได้ยินปฐ ม, มเทศนาแต่หมายคําว่าได้ยินการที่พระองค์เนี่ยหมุนทุกข Ariyasat หมุนสมุ ท, ทยัยอริย a ั a t นิโรธ Ariyasat มัคค Ariyasat หรือประกาศ Ariyasat ให้เป็นไป การที่พระองค์ประกาศอริยสัจที่ใดที่นั่นก็เรียกว่าการประกาศพระธรรมจักรคือเรียกว่าหมุนกงล้อแห่งอริยสัจจะทำให้เป็นไปแล้วดันั้นพระโพธิสัตว์ได้ยินพระธรรมจักรได้ยินการประกาศอริยสัจจากพระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าเวสภูก็มีใจน้อมไปเพื่อจะบรรปชาคำว่าบรรปชาเน้นๆพิเศษว่าเป็นพื้นฐานแห่งเนกขมะเมื่อบวชแล้วจะได้รักษาศีลเมื่อศีลเป็นบาดจะได้เจริญสมถวิปัสนา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 แปล ว, ว่าผู้เห็นดีเนี่ยนะได้บูชาพระชินเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยข้าวด้วยผ้าข้าวน้ําผ้าเนี่ยนายกปัจจัยสีขึ้นมานะเพราะว่าปัจจัยสี่ก็คืออาหารกับเครื่องนุ่งห่มแต่ก็รวมถึงเสนาสนะเป็นต้นด้วยเนี่ยนะพระองค์เล่า ว, ว่าพระองค์ได้บําเพ็ญมหาทานถ้าทานเฉยเเนี่ยก็เรียกยังไม่เรียกมหามหาแปลว่าใหญ่มากเป็นการบริจาคที่ใหญ่ที่ยากที่บุคคลอื่นจะเสมอเหมือน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 การให้ทานเนี่ยถามว่าพารหันทั้งหลายจะแสดงทำให้คนให้ทานหรือคนไม่ให้ทานฟังก่อนเอาไงในในพระสูตรเนี่ยถามว่าพารหันทั้งหลายถ้าจะเข้าไปหาเข้าไปหาคนให้ทานหรือไม่ให้ทานก่อนให้ทานก่อนถ้าพารหันทั้งหลายจะสงเคราะห์สงเคราะห์คนตนหีหรือคนให้ทานก่อนก็สงเคราะห์ให้ทานก่อนเพราะพารหันทั้งหลายจะแสดงทำแสดงให้ใครฟังก่อน ก็แสดงให้ผู้ให้ทานก่อนเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นี่เป็นทานบดีผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ก็คือมีหมายคือว่าคนให้ทานมีโอกาสได้พูดคุยกันฉั้นการจริงๆแล้วคนไม่ให้ทานพระอรยะท่านก็สอนแต่โอกาสที่จะได้สอนอ่ะมันยากอ้างว่าไม่มีเวลาเป็นต้นเนี่ยนะที่จะมีการพบปะเจอ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 เพราะฉะนั้นท่านก็จะแสดงเพิ่มพูนคุณธรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าพอใจในฐานะ ก, กุศลเลยมหาบพิตรเป็นต้นนี่ยนะเพราะพระเจ้าก็แสดงทำให้ฟังพระองค์ก็รู้ว่าการบรญญัตินั้นมีคุณนานิสง์ถึงพร้อมด้วยคุณมากมายเพราะว่าการบวชนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับอภิเสกมาเป็นราชโอรสนั่นนะเขบอกว่าในพระอารหันต์รูปหนึ่งท่านบอกว่าการที่ท่านครองราชสมบัติเป็นการอภิเษกครั้งที่หนึ่งของท่าน การที่ท่านออกบวชมาทรงบาทถือบาทถือบริขารเป็นการอภิเสกครั้งที่สองของท่านการที่ท่านเห็นอริยสัจเป็นการอภิเสกครั้งที่สของท่านนะเเพราะว่าท่านเป็นพระราชาก่อนบวช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 ที่จะประพฤติสมณะธรรมประพฤติคุณธรรมหรือยากที่จะสร้างบารมีให้เต็มเตี่ยมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าการบวชนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยนะมาก็พูดอันนี้สงไปงั้นนะแต่ว่าทาข้าจะก็บวชอย่างที่เห็นนี่แหละนะให้เพิ่มขึ้นอีกถ้าจะยากกวนะ่านั้น ทีนี้พอบวชเข้ามาแล้วทําไงบ้างก็พรั่งพร้อมด้วยอาจาระคุณอาจาระคือมรน ญ, ญาติทางกายมันญาติทางวาจาและทางใจและอาจาระทางกายอาจาระทางวาจาและอาจาระทางใจตั้งมั่นอยู่ในวัดคำว่าวัดนี่หมายถึงว่าวัดใน อ, อาจาริยวัดอุปชัยวัด อ, อันเทวาสิกวัดเป็นต้นหรือทุดดงควัดทั้งหลายนะก็คือบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติวัดปฏิบัติ ทุกอย่างเรียกว่าขันธกะวัดทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนและก็ดำรงอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลมีปาติโมขสังวนอินซีสังวนนะปัจยักนิสนนิตสีลอาชีวปาริสุทธิศีลพระองค์กล่าวบทสรุปบอกว่าขณะที่เรากำลังสแสวงหาพระสัพพัญยุตยานก็ยินดีอย่างยิ่งในพระศาสนาของพระชินเจ้า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 พระพุทธคุณทั้งปุปพะจริยาคุณสรีระคุณพระพุทธคุณพระพุทธกิจทั้งหลายและพุทธธรรมคําสอนที่พระองค์ตรัสรูพันท่านมีศรัทธามากปีติในพระพุทธคุณอยู่เสมอถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาศาสดาแปลว่าผู้พาเหล่าเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากชาติกันดารชรากัรดาลพยาทีมรณะโสกะปริเทวะให้พาให้ข้ามพ้นจาก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 ถ้าหากว่าคนที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปก็ถือว่าที่ตั้งแห่งศรัทธาที่ดีถึงจะตั้งอยู่ในโสดาบันสกทาคามีอนาคามีที่ตั้งแห่งศรัทธาเหล่านั้นก็ไม่ได้ประเสริฐเท่ากับที่ตั้งแห่งศรัทธาคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาโดยรอบด้านเรียกว่าสมันตะปาสาทิการ ผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบ ด, ด้านไม่มีตรงไหนที่จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเพราะฉะนฉลเหล่าใดจะเลื่อมใสในเเลื่อมใสถือประมาณในรูปพระองค์ก็มีรูปเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสผู้ใดจะเลื่อมใสพระองค์ในฐานะผู้มีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงทั้งด้านข้อประพฤติปฏิบัติตรัสรู้บำเพ็ญพุทธกิจพุทธคุณทั้งหลายพระองค์นี่มีชื่อเสียงจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเลื่อมใสในชื่อเสียง พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีชื่อเสียงถ้าจะเลื่อมใสในความเศร้าหมองเอนะเลื่อมใสในความเศร้าหมองพระพุทธเจ้าเศร้าหมองเศร้าหมองว่าอะไรที่ดูจากถาดทองคํามาถือบาทบาดหินบาดดินเนี่ยนะต่มาถือเอาบาดหินนะเคยใช้ผ้าอย่างดีแคว้นกาสีมาใช้ผ้าบาังสกุลแล้วไปบังมาจากใครบอกจากนางขาสีไม่ใช่ไปบังสกุลมาจากศพกริย์นะไม่ศพนางขาสีนางปุณณนะาสี แล้วถามว่าอาหารที่พระองค์ฉันน่ะก็ฉันเช่นขนมทําด้วยรำอย่างเงี้ยนะอย่างรนะพระนางมาลิกบางคนเนี่ยเอาอาหารที่ทําด้วยรำเนี่ยมาเป็นพุทธบูชาพระองค์มฉันอาหารอย่างนั้นเคยปราสาทสามฤดูมานอนโคลนไม้และโคนไม้สถานที่แบบหน้าหนาวหิมะตก อ, ะอ่ะนะหน้าหนาวหิมะตกและพื้นดินที่พระองค์เดินเนี่ยเป็นอะไรเหมือนมีตะรอยกีบโคอินเดียนี่โคเยอะอ่ะนะอินเดียนี่โคเยอะพัน ที่เดินเนี่ยก็มีแต่รอยกีบโคเป็นต้นนั้นพระองค์เนี่ยจึงถ้าพูดในด้านความเศร้ามองพระองค์เนี่ยเป็นที่เรียกว่าพูดถึงความเศร้ามองสมซ่อเนี่ยนะสุดๆแล้วว่างั้นเธอไม่มีใครทำได้กว่านี้อีกแล้วในบรรดากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกัน